50 languages. o a t a k a n a t a a r e g. i t e d ดิฉันอ่านหนังสือนิยายทั้งเรื่องแล้วเ l ลยาจิตลาโนเวลลาซันเซอร์เข้าใจ e n t e n d เด comprend ดรดิฉันเข้าใจแล้วเอียนดิฉันเข้าใจข้อความทั้งหมดแล้วอีคุมเพรส t o ทัลเท็กซ์ ตอบ respondra. ดิฉันตอบแล้ว respond. ดิฉันตอบคําถามทั้งหมดแล้ว respond todas las preguntas. ดิฉันทราบแล้วดิฉันได้ทราบแล้ว usé. usabía. ดิฉันเขียนดิฉันได้เขียนแล้วอูเอสรีตอูีดิฉันได้ยินดิฉันเคยได้ยินแล้วอูวเซนต e อูเอเซ i ติดิฉันกำลังไปรับดิฉันได้ไปรับแล้วอ a รัฟูอูเอรั ดิฉันกำลังนำมาดิฉันได้นำมาแล้ว u p o r t ร์ตูอุเอปูเตตดิฉันซื้อดิฉันได้ซื้อแล้ว u compro อุ e compra รตดิฉันคาดไว้ว่าดิฉันได้คาดไว้แล้วว่า u esperou esper ูอุอาสปาร ดิฉันอธิบายดิฉันได้อธิบายแล้วออคสปิคุอุเอ็กสปิการกดดิฉันรู้ดิฉันรู้แล้วอุกุเนกอุคุเนชิยะ